พระธรรมเทศนาของท่านหลวงต า, ลงนานและหลวงศักดิ์พีนาเลวุตอนรู้ต้นจิตจิตต้นหลดผลดหงิดตอนที่หนึ่งหรือแต่สติตัวเดียววางแล้วไปคิดต่ออะไรจะไปหาวิธีต่อไปวางไปแล้วก็เลยแต่สติตัวเดียวอย่าอื่นวางหมดแล้วไปคิดหาเหตุผลจะไปคิดทําอะไรต่ออีกอ จะคิดทําอะไรต่อเดี๋ยวก็ไปเครียดอย่างเก่าหรื อ, ร อ, รอเรขึ้นระดับสติสัพพารู้ไม่ใช่ว่าไปไล่ดูได้รู้ไปไล่ตามรู้ไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นในใจปล่อยวางไป ห, หมดมีอะไรเกิดขึ้นในใจปล่อยวางไป ห, หมดไม่ใช่ไปต้องไปไล่รู้แล้วนี่มันให้มันสงบลง มั น, นมีความสงบลงไม่ต้องไปไล่รู้อะไรไม่ต้องไปคอยดูก่อคอยรู้อะไรให้มันเหลือแต่เมื่ อ, อไหร่ที่มันไม่ขนาดจิตเลยเราเราเริ่มไม่สงบต้องรู้ต้อทันแล้วนี่เราไม่ไม่สงบแล้วเราเริ่มไปเริ่มไปหาคิดเริ่มไปคิดหาวิธีจะทําทอะไรอันนี้มันก็เริ่มไม่สงบแล้วมันเริ่มต้นก็ไม่สงบแล้วือมันซักได้นะซับเต็มที่เลยเราให้ย่าให้ซัก ไปแล้วจลองทำอีก <t ong> ไม่ใช่ให้หยุดให้หมดไงหยุดซะก่อนตงหยุดให้หมดแล้วเราจะไปลองทำอีกรัการกไม่เข้าใจรักเลย <ay> <t ong> ไม่ใช่ ไม่ใช่หยุดคือการไม่ทำอะไรเลยหยุดก็คือให้รู้ว่าตัวเราไม่หยุดนั่นเหยุดเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเรายังไม่ยอมหยุดเมื่อเช่นแหยุดไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ทิ้งสติไปหมดเลยไม่ใช่หยุดเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่ยอมหยุดถ้าเราไม่หยุดซะก่อนแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเรานี่ไม่ยอมหยุด การที่เราไม่รู้ว่าเราไม่เราหยุดแล้วแล้วเราไม่เราจึงไม่ยอมหยุดเราจึงรู้ไม่ยอมหยุดเนี้ยเท่ากับทู่ทุ่มใสติปัญญาไม่ได้ทิ้งสติปัญญาเราหยุดแล้วเราจึงรู้ว่าเราหยุดถึงเมื่อเราหยุดแล้วมันกลับไม่หยุดเราจึงรู้ว่าเนี่ยเราไม่หยุดจึงมีต้องมีสติปัญญาที่จะไม่หลงไปตามมันไม่ไปปรุงแต่งตามมันแต่เราไม่เข้าใจเรากลับไปดิ้นรนค้นหาวิธีทำ หยุแล้วจะกลับไปดี้นวนก้นหาวิธีทํอย่างนี้ถ้ากลับเราไม่หยุดไม่เข้าใจสักนะต้องซักเข้าใจนะไอ้เรื่องนี้มีคนหลงไม่น่าเชื่อเลยหลงได้คือหยุดปุ๊บไม่ทําอะไรทั้งหมดแต่ทิศสติหมดเลยแล้วกลายเป็นคนอยู่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนเหมือนผู้บริโภคคนธรรมดาทั่วไปเลยหยุดเพื่อให้รู้ว่าใจเราเนี่ยไม่หยุดอันนี้มันจะเกิดสติปัญญาให้รู้ว่าเราเนี่ยหยุดแล้วพอเราเริ่มหยุดปุ๊บ เราจะรู้ว่ามันไม่หยุดมันไม่ยอมหยุดเลยมันจะทําตลอดมันจะปรุงแต่งตลอดปรุงแต่งไปโลกปรุงแต่งไปหาธรรมปรุงแต่งไปหาโลกปรุงแต่งไปหาธรรมอยากมาในทางโลกอยากมาในทางธรรมและอยากไปทางโลกและอยากมาในทางธรรมปรุงไปทางโลกปรุงไปในทางธรรมเราจึงรู้ว่ามันไม่หยุดเลยเมื่อเราหยุดแล้วจึงจริงรู้ว่ามันไม่หยุดเลยตลอดเวลาเราเราจงไม่ต้องหลงเราจริงจริงจะหลงไปตามมันไม่หลงไปตามมันเลย มันปรุงไปในทางโลกเราก็ไม่ยอมปรุงไปตามมันมันปรุงไปในทางธรรมที่จะไปหามผลนิพพานไปหาความหลุดพ้นเราไม่ปรุงไปตามมันหยุดดิ้นรนค้นหาหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นหยุดที่จะจะเอาอะไรในทางโลกหยุดที่จะเอาอะไรในทางธรรมนีเ่เดี๋ยวก็จะกลับไปหาวิธีคิดหาวิธีทำ แล้ไปหาวิธีคิดไปหาวิธีทําเพื่ออะไรอะบอกหน่หรยอ๋อเพื่อเพื่อจะไปเอาอะไรใช่ไหมลองถามจริงไอจทีคิดหยุดนะแล้วเราไปคิดหาวิธีทําเพื่อจะไปเอาอะไรอ้ีจะไปเอาอะไรกิเลสอย่งนั้นเน่ยไม่ว่าจะไปเอาทรรมธรรมก็ไปกิเลสไปเอาทรรโลกก็ไปกิเลส ใจมันยังไม่หยุดมันจะเอาความรู้ให้ได้เราไม่เห็นไมนไม่ว่าใจมันยิ่นจะเอาความรู้จะเอาความเข้าใจให้ได้เพื่อจะเราจะไปเป็นอะไรไปถึงอะไรใ น, นเมื่อใจของเราตัวตนมันก็ไม่มีคือหาที่ว่าใจที่อยู่ตรงไหนเอาคือเอาคือบอกที่ว่าใจอยู่ตรงไหนเอาบอกได้ไหมถ้าบอกไม่ได้แล้วจะหาได้ยังไง เธอยังบอกไม่ได้หรือว่าใจอยู่ที่ไหนแล้วจะหามันยังไงเจอเอานิพพานคือจิตนั่งเดิมแทๆ้ๆหรือใจดั่งเดิมแทๆ้ๆแต่เธอกลับบอกว่ามันหามันไม่เจอบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วจะหาอย่างไรมันเจ อ, อก็บอกจะไม่ได้หรือว่ามันคืออะไรในที่ไหน เราจะหาไงมาเจอถ้าเราบอกได้ดว่ามันอยู่ที่ไหนจะได้หาเจอถ้าบอกได้ว่าสิ่งนั้นมันอยู่ที่ไหนที่จะหาเจอนี่ยังบอกไม่ได้เลยว่ามั น, มนคืออะไรมันอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามันมีใจอยู่แต่กลับบอกไม่ได้ว่าใจเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงไม่เคยมีใครในโลกบอกไห้ แม้แต่บุตรเจ้าก็บอกไม่ได้ว่ามันมีรูปร่างเป็นยังไงได้แต่บอกว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นผ้าสลีรังไม่มีรูกพันธุ์ทัาทามได้ทั้งหมดไม่มีรูปร่างเลยทั้งหมดมันทั้งไม่เศร้าหมองด้วยและไม่อาจฟองใส่ด้วยและไม่อาจเศ้าหมองด้วยมันทั้งไม่ฟองใส่ทั้งไม่เศร้าทั้งไม่เศ้ามองมันทั้งไม่ใช่สว่างและก็ทั้งไม่เฉยมือ มันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นดวงหรือเป็นสภาวะใดๆทั้งหมดมันไมไ่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนั่นเองที่พระองค์่อกมันเป็นอสลีหลังสลีละรูปพันธสันธานอสรีล ะ, รรละหรืออสรีหลังคือไม่มีรูปพันธสันธานใดๆเลยไม่มีรูปร่างอะไรสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยที่เป็นเครื่องหมายให้ไปรู้ได้ ไม่อาจจะเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจหกประตูเนี่ยไปรู้มันได้เลยคนเราจะรู้อะไรได้มันก็ต้องรู้ด้วประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจหกประตูแต่สิ่งนี้ไม่อาจรู้ได้ด้วยประตูทตาแล้วเธอจะเอาอะไรไปหามาันจะเอาตาไปหามั้ยจะเอาหูไปฟังเสียงหรือจะเอาจมูกไปดมมันเลย จะลิ้นไปเรียมันเลยจะเอากายไปคำมันเลจะอาใจไปรับรู้มันเหรอเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่อา จ, จรับรู้ได้เลยอายะตนาทั้งหมดเราจะหาไมนพบได้ยังไงเนีงง่ยแต่ก็พยายามจะไปหามันจะเลยถามมแล้วมันอยู่ที่ไหน ต้องรู้เสก่อนที่มันอยู่ที่ไหนจะหาได้บอกว่าอยู่ที่ใจแล้วใจมันอยู่ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหยุดหาเนี่ยจึงจะเห็นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหยุดหาเนี่ยจึงจะเห็นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดเนียน่ยจึงจะรู้สิ้นตัณหาเนี่ยก็ <c oughs> เห็นเองพบเอง ตัญหาเนี่ยขวนคากลับนะว่าไงาราครคับปัญหาลงขวนคากลับตัณหาเนี่ยหมายถึงอะไรรงควนคากลับซิเ อ, อหาแล้วตันก็าเธอยังจะหาอยู่มันก็เป็นตัณหาและตัณหาเนี่ยเป็นเหตุที่ทาให้ไม่พัพนิพันมีสติปัญญาสติปัญญาตัวไหนก็ติดปัญญาเข้ามาเห็นว่าเรายังหาไมเรื่อย่างเนี้ย เรายังดิ้นรนค้นหาไม่เลิกอยู่เลยเดี๋ยวนี้จยูต่หน้าเรายังหาไม่เลิกเลยเราจี้ให้เดี๋ยวนี้ยังหาไม่เลิกเลยสติปัญญาคือต้องมาเห็นสติปัญญาที่เราเนี่ยหาไม่เลิกอยู่นี่ไงเรายังไม่เลิกหาเลยนี่สติปัญญาก็ไม่เห็นอะไรน่ะสติกปัญญามาเห็นว่าเราเนี่ยหาไม่เลิกนี่ยังจังไม่หยุดหาเนี่ยังหาอย่างกวักกวักกวักหาคุณทางแล้วเราก็บอกว่าการหาเนี่ยมันเป็นการหา ทำเยี่งมันตัณหาก็มันเดินทางขผงข้ามพณนธิพานก็เป็นกิเลสตัณหาหยุดที่ไม่ได้ให้ทิ้งสติหมดนไม่ใช่ต้องมีสติปัญญาเห็นว่าเรายังหาไม่เลิกอย่างงพอเลิกหาก็พุ่งสร้างในทางโลกแหละพอไม่พุ่งสร้างในทางโลกก็มาหน้าหายมันก็เลยติดทางโลกติด ท, งทางธรรมเมื่อไหรไม่ไม่ดิ้นหล่นค้นหาในทางธรรมกว่ากว่กว่าก า, า, า, าจะหาพันิพานก็ปรุงแต่งดิ้นหล่นค้นหาในทางโลก สติปัญญาเนี่ยมันมาเห็นตรงนี้เนี่ยเนี่ไม่เห็นว่าเดี๋ยวดี้ดล่นควนหาในทางโลกเอ้าพอหยุดที่ล่นควนหาไปทางโลกเอ้ามาหยุดมามาที่หล้นควนหาในทางธรรมที่หล้นควนหาบนนิพานมันก็เลยมีแต่หาหาหามีเลยมีแต่ขันหาเราไม่เห็นนสติปัญญาต้องมาเห็นในใจเรานี่เหีะยนี่เราจี้ขนาดนี้ยังไม่เห็นเลย ว, เว่าเนี่ยนั่งหาอยู่ในรติก็ไม่เห็นรติกับ ม, ห, ม ห, หาสาวทายนะยังไม่หยุดหานะ มันต้องเห็นถึงจะหยุดเราไม่เห็นไม่หยุดหราก็ตัวเราหาอยู่เนี่ยตัวสติปัญญาเนี่ยมันมาเห็นตรงนี้นะเห็นที่เราเนี่ยเราหน้าหาอยู่ดตอนนี้สัมผัสคนที่นั่งคางเคยได้ไปหยุดหาแล้วแต่เคยหาอยู่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นตัวเราเองก็ราหาอีกกากว่ากวเอาเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเอา้างงอยู่ก็มันไม่เลิกหางงมาสิเลิกหาแล้าหายงงแล้ว เริ่มหาซะหายงงมาเร้่ยิ่งหามก็งงเย้ะเลยยิ่งหามไปยิ่งงงมาเลยพรมันเป็นตัณหาเนี่ยยิ่งหามก็เลยยิ่งงงเออเนี่ยอย่เงยองเงยก็อย่างเงี้ ย, น ย, นยนเนี่ยเออแล้วสบายไหมอย่างเงี้ย แ, แค่นี้เนี่ย หยุดแล้วก็หยุดเลยจะไปหาเหตุผลไม่อีกจะพยายามหาเหตุผลว่ามันทำไมจึงหยุดหยุดแล้วก็หยุดไปเลยแล้วไปหาเหตุผลมันอีกหลายคนดูเขานะออ ม, มันจะเข้าใจเอา้ารักได้เดี๋ยวมันคาใจเอา้ารักสักตอบเออต่เมื่อกี้ิ้งแล้วแอกี้จริง เอทิ้งแล้วไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะไม่คิดอะไรคนซื่อเมื่อไปเลยทิ้งแล้วไม่ใช่嘛ทิ้งแล้วก็แล้วไปก็แค่นั้นนหละเราบอกไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรถามต่ออีนการคิดจะถามต่อผมไม่คิดอะไรทิ้งแล้วแล้วหนูจะทําอะไรเอาทิ้งแล้วคิดต่ออีกบอกไม่คิดอะไรมันไม่จริงไงจุดคิดไม่จริงอ่ะ วางแล้วไม่วางจริงยังไหนคิดคิดจะถามต่อวางแล้วพันเมีต่อไหนว่าหยุดจริงนะเนี่ยอ้าวก็ทำไมไม่หยุดได้จริงแล้วะพลวัลเราเนี่ยเริ่มรู้แล้วที่ได้หยุดไม่จริงจยุดไม่จริงเนี่ยๆๆ เ, เนี่ยแล้วทำไมไม่หยุดได้จริงอะ่ะเนี่ยผู้เองอะ่ะดูกแก้งหยุดหุดไม่จริงเห็นแล้วเนี่ยว่าเราไม่หยุดนี่เนี่ยเนี่ย พูดเองอ่ะก็ไม่ยอมหยุดแล้วทำไมจึงไม่หยุดเน่ยต้องตอบคําถามไม่ได้ดิทําไมจึงไม่ยอมหยุดเออไม่ยอมเพราะอะไรเออสงสัยจะไปเอาอะไรอไปหาใจใจอยู่ตรงไหนจะพูดมาทั้งหมดเลยจะไปหาใจทั้งหมดเลยแล้วเขากพูดเองอ่ะว่าใจมันไม่มีหาไม่ได้ แล้วเนี้ยใจมีอ่านยาอ่ก็คือีสติ้ว่ามีสตินีจิตตจิตที่ดิ้นรนนั่นแหละมันเป็นกิเลสเราเห็นจิตที่ดิ้นรนมันก็เลยหยุดหยุดการดิ้นรนได้มันก็เลยหยุดกิเลสได้ เพราะจิตที us, oh, Go, mm ่ด hmm. ิ้นรนเนี่ยมันเป็นกิเลสเมื่อเราเห็นจิตเราเนี่ยยังดิ้นรนอยู่อ๋อนี่งานกิเลสก็มาก็คือจิตที่ดิ้นรนนี่ไงเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยอะมันสิ้นกิเลสนี่เป็นตัเป็นนิพพานอ่ะฉะนั้นแต่จิตยางดิ้นรนเนี่ยเอ้ามันก็เป็นกิเลสอยู่นั่นแล้วัลับจะเป็นนิพพานมันตกกันข้ามระหว่างกิเลสกับนิพพานเมื่อเเห็นจิตยังดิ้นรนการดิ้นรนแม้แต่ดิ้นรนไปหาวิพานมันก็ยังเป็นกิเลส เลยเห็นจิตที่ดินน้นรนก็เลยอ้าวแล้วเราดิ้นรนนี่มันเดินทางตรงภาพมันที่ผานไมเจอเราก็เลยหยุดจิตที่ดินน้นรนก็เรียกว่าดับกิเลสสงสัยไหมไม่ได้ทิกงสติปัญญานะสติปัญญามีเพื่อให้เห็นจิตที่ดิ้นรนนี่แนะ่เพื่อยังให้เห็นจิตที่ดินน้นรน เม e o sea, ื่อสติปัญญาไปเห็นจิที่ดิ้นรนเอาการดิ้นรนนี่มันเป็นกิเลสในจิตที่ดิ้นรนแม้จะดิ้นรนไปหาพนิพพานพรจาะดิ้นรนหาใจเจอเองเขาบอกว่าเพราะว่าเขาบอกนิพพานดีใจแต่เขาก็พูดเองว่าใจไม่มี อืก็จิตที่ดิ้นรนนะคือดิ้นรนไปหาความอยากาย่นแหละเพราะมีความอยากมาเลยจึงดิดน้นรนไงเพราะอยากอะไรแหละ <c oughs> อยากไปพบใจไอ้ความอยากจะไปพบใจแต่มันเป็นตัณหามันเป็นกินเลสตัณหาแต่แล้วมันเลยมันเดินทางตรงข้ามมันทิพานไอ้สติปัญญาก็ลัเห็นในตรงนี้เนี่ยเห็นความอยากที่จะไปหาใจตนเองนี่แหละมันเลยดิ้นรนไปตามความอยากมันเลยไปตั้งกิเลสตัณหาอยู่ในตัวมันนี่แหละ เมืสติปัญญาเข้ามาตรงไหนก็มาเห็นตรงเนี้เอางี้เรากาลังเดินทางต่อข้าพระพุท่านพอพระปฏิธผ่านมันคือดับกิเลสตัณหาก็คือดับจิตที่เดิ้นรนไปตามความอยากไี่เข้าใจไหมเออก็ดีหรือคือไอเทโลที่เนี่ยก็เพื่อคนอื่นนี่แหละคนอื่นเนี่ยจะได้เข้าใจที่ยังหลงหลงเหมือนเ้าเนี่ยมันจะได้เข้าใจ ว่าเรายังหลงอะไรอยู่นี่แน่เนี่ยนั่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นจิตที่ดิ้นรนแต่ละคนเลยเห็นตัวเองเลยเนี่ยเมื่อเราไปเห็นของคนอื่นเราเห็นตัวเองนี่เลยล่ะเห็นเดียวนี้เลยเนี่ยจิตเราก็ยังดิ้นรนจิตเราก็ยังดิ้นรนเพราะฉะนั้นเราเห็นจิตเราที่ดิ้นรนแล้วก็มันก็จะหยุดหยุดจิตที่ดิ้นรนได้เมื่อเห็นมันถ้าเราไม่เห็นมันอ่ะมันก็จะดิ้นโครงโกลงโกลงไปเลเราไม่เห็นว่ามันมันก่อให้เราเป็นความทุกข์ แต่เราเนี่จะดิ้นรนไปหาความทุกข์แต่เรากลับไม่เห็นมันว่าไอ้ความทุกข์ก็คือมันนี่เองไอ้ตัวที่ดิ้นรนนี่ที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่เรากลับจะดิ้นรนเนี่ยไปหาความทุกข์ความทุกข์ไอ้ความดิ้นรนเนี่ยมันทําให้เราไม่นทุกข์อ้าวแต่เรากลับจะไปหาความทุกข์แต่เราไม่ยังดิ้นรนอยู่นั่นแน่เราไม่รู้ไอ้ที่ดิ้นรนเนี่ยมันกำลังไม่มันกำลังเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่นทุกข์แล้วเราบอกว่าเราต้องการความนทุกข์ แต่เราก็ดิ้นโกลงโกลงโค ม, มและดิ้นรนอยู่ในจิตใจและไอ้ดิ้นนี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่พ้นทุกข์แล้วจะคนทุกข์ได้ยังไงเมื่อยั ง, อยงดิ้นอยู่ต้องเห็นนะในใจของแต่ละคนเนี่ยต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยแหละไม่จะไปเห็นของคนอื่นเราผิดกับตัวเองมีแหละต้องเห็นเลยเห็นใจของตัวเองมันดิ้นรนอะไรหรือว่ามันสงบแล้วสงบจากการดิ้นรนแล้วรู้ว่าสงบจากการดิ้นรนแล้ว เมื่อสงบแล้วก็รู้ว่าสงบแล้วแค่นั้นเองนทัทิสันติพลังสุขขังสุขใดเหนือใจที่สงบจากจิเลสตัณหาคือความยิ้มลนทะยาอยากเป็นไม่มีนี่เนี่คือพันธิภัณฑมันไม่ใช่เห็นป๊บปละหยุดได้หรอกมันไม่ได้เห็นว่าพอเห็นยิ้ดล้มลนแล้วมันจะเห็นป๊บแล้หยุดได้ แต่เพราะปัญญามีปัญญาที่จะเข้าใจได้ว่าเราปรารถนาความพ้นทุกข์แต่ไอ้จิตที่มันกําลังดิ้นรนนี้เนี่ยที่เราดิ้นรนไปหาถางพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยไม่พ้นทุกข์แต่เรากลับเราก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันแต่ไอ้จิตที่มันดิ้นรนเนี่ยที่เป็นเหตุที่เราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่พ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้เราเห็นโทษของมันเราจึงยอมวาง จึงต้องได้เห็นด้วยสติปัญญาของเจ้ตัวจริงๆเองจึงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบา ร, รมีน้อยบา ร, รมีมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่ามันสูงเกินเอื้อมอะไรไม่ใช่มันเป็นความจริงในปัจจุบันนี้เองเพราะมันอยู่ที่ใจของเราสักคนเองมันไม่ได้สูงสุดขอบฟ้าไม่ได้ไปไกลสูงจนถึงจักรวาลมันไม่ได้ไปไกลจนถึงขอบฟ้าอะไรที่อย่าเอื้อม แท้ๆมันอยู่ในใจของเรานี่จึงไม่มีใครที่จะว่ามันไกลเกินเอื้อมที่ไหนเพราะมันยคือใจของเรานี่เองที่หยุดดิดน้นรนหยุดดิดน้นรนหยุดอยากดิ้นรนเทียนอยากไปในโลกหยุดดิ้นรนเทียนอยากไปในทางหยุดดิ้นรนเทียนอยากไปในทางที่ต้องการความเนทุกข์ <c oughs> เพราะอะไรล่ะไอ้เพราะกิจที่มันดิ้นรนเทียนอยากเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่เป็นทุกข์ เมื่อเราเห็นโทษของมันเราจึงยอมวางมันเพราะมันคืออุปสรรคที่มาขวางทาให้เราไม่พ้นทุกข์เราจึงยอมวางอุปสรรคเสียทัง้งหมดความพนทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเองทันทีมันจึงไม่มีว่าเรามีปัญญาน้อยเรามีปัญญาต่ําไม่มีงโง่ไม่มีฉลาดเพราะมันคือใจของเรานี่ เอาเอาสขาพูดไปก่อนก็ไดละเอาอเขาพูดไปเอาตรงนี้ถามว่าถ้ามันท่องเป็นอย่างนั้นน่าสมมติว่าสติสติของเราเนี่ยยันไม่ดีพอนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวตัวที่มันอยากนู่นอยากนี้เนี่ยมันก็ทยอยกันมาเปลี่ยนหน้ามา แ, แต่พอเรามันเปลี่ยนหน้ามาแต่เราไปเห็นตัวอย่างตัวเดิมซะก่อนมันก็มันก็ดับไปเพราะนั้น ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันคงจะต้องทำตรงนั้นหลายครั้งหลายครั้งต่าง ก, กับถ้าสติไม่ดีพมันเพ่งจะเป็นที่ผานที่ผานเที่ยงแต่ทุวันวันนี้ก็เป็นที่ารแต่ละานี้จละวานไป่เช่นนี้ก็ต้องเข้าใจว่า เ, เคนที่มีสติปัญญาก็จะสามารถเห็นได้ในปัจจุบันว่าจิตใจของเราเนี่ยมันดิ้นรนทยานอยาก ไปในเรื่องใดเราไม่ต้องเห็นว่ามันจะไปในเรื่องอะไรไม่ต้องไปรู้ปลายเรื่องมันแต่รู้ว่ามันเริ่มดิ่นรนทยาดอยากเราก็จะรู้แล้วว่ามันเนี่ยกิเลสตัณหาเริ่มเกิดเราไม่ต้องไปหาปลายทางว่ามันดิ้นลนธยาดอยากไปในโลกหรือธรรมทั้ทงโลก ท, ทั้งธรรมเนี่ยมันดิ้นลนไปาหาตอนได้ใจที่อยากเย่ยกิเลสท่งนั้นแม้แต่กิเลสที่จะรู้ิพลาน พอจิตมันเริ่มดิ้นลนทยานอยากอ่้เริ่มสตานก็เห็นเลยเนี่ย ว, ว่าความไม่พ้นทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้แนี่ยไอ้ตรงที่ใจ ย, ยังดิ้นลนทยานอยากนี่แหละเห็นโทษมันบ่อยๆก็เลยวางมาันถูกต้องพี่หลวงปู่มั่นเพื่อนว่ารู้ต้นจิตจิตต้นคนโหยหวนนะี่ไงมันมันจึงไม่มีคนโง่คนฉลาดอะไรหรอก มันมีแต่ว่าเนี่ยมันเกิดอยู่จริงๆทุกคนก็เห็นอยู่รู้อยู่ในใจของเรามันดิ้นมันดิ้นโลภยานอยากมันมีความที่โลภยานอยากบรรลุพริพานเดี๋ยวนี้อยากหรือว่าไปอยากอะไรอยากไปสังโลกอยากอะไรสักอยาก่างขอมันดิ้นลอยไปตาม ใ, ใจที่อยากแล้วกันผมมันเริ่มดิ้นก็เห็นเลยว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคือขวางพระนิพพานมันเป็นสมุ ท, ทยัย เป็นสมุทัยที่เป็นเหตุที่ทําให้ไม่พ้นทุกข์ในตัวนี่ยเพราะว่า <c oughs> ตัญหานี่เองความทิดล่นทยานอยากเนี่ยมันเป็นตัญหาพระุทองค์ตรัสว่าตัญหานี่แน่ที่มันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอุปท า, านอุปท า, านเป็นเหตุที่เกิดภพภพเป็นเหตุที่ทําให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุที่ทําให้เกิดมรณะโศกะพิริเทวา้ า, า, าอุกกาสอมณัสไตรยาสทุกโศกเศร้าเ ส, สียใจครับแค้นใจแล้วก็ปัญหาไม่ดับ เมื่อตัณหาไม่ดับก็เลยไปเวียนว่ายตายเกิดต่อยเพราะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่กนีเนี่ยไอ้ตัวตัณหานี่เนะเป็นตัวสำคัญของความทุกข์โกรเต้าเสียใจกวาแค้นใจการเวียนว่ายตายเกิดอุปทานก็มาจากตัณหาเนี่ยเป็นเหตุปฏิจจสมุปบาท่ย ตัณหาเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภพภพบเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาารามมาล้ะโศกกาลิเดวาทุกขะโทมนอุปายาสะทุกโตกเศร้าเสียใจครับแกนใจแล้วไปสู่การเป็นไร้ายไเลยไปสู่อวิชา ย, ย่างเดิมอวิชชาคืออะไรเนี่ยใจที่ดิ้รนรนทะยานอยากแล้วตัวเองก็ยังไม่เห็นเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เห็นเนี่ยเนี่แหละคืออวิชชาความไม่รู้ไม่เห็น แล้วก็รู้เห็นแล้วก็ยังปล่อยมันดิ้นรนอีกนี่นี่หนึ่งไม่รู้ไม่เห็นสองชี้แล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้มันดิ้นรนทั้งที่ชี้ให้เห็นแล้วก็ยังปล่อยให้ว่ามันดิ้นรนเพราะอะไรไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือใจที่ดิ้นรนพยายามอย่ากในปัจจุบันไม่เห็นพอมีคนชี้เห็นแล้วก็มายอมหยุด ไม่ยอมหยุดตัณหาเหตุที่ไม่ยอมหยุดตัณหาเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นโทษแต่เห็นว่ามันจะเป็นเครื่องมือเนี่ยทำให้เราเนี่ยากที่ดิ้นรนทยานอยากเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือทำให้เราเนี่ยไปบรรลุพระนิพพานกลับไปเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือเลยยิ่งดิ้นรนทยานอยากเอาเครื่องมือเนี่ยไปหาพระนิพพานแต่แท้จริงเนี่ยมันเนี่ยคือ กิเลสปัญหาและมันตัวที่ขวางกั้นพันิพานเลยตัวใหญ่เลยและตัวเดียวด้วยปัญหาดับดับหมดเลยทั้งกระบวนปฏิจ่าสมุบาการเป็นวไรใจเกิดทุกข์โศกเศร้าเสียใจขับแก้นใจเอาวิชาอุปทานหักสะบั้นหมดเลยพอเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุเป็นตัวขวางเราเห็นตรงนี้เลยก็ก็ต้องเอาเป็นกาเป็นใจมันถนเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น ใช่เพราะตัณหานี่แหละเป็นสมุทัยที่เป็นเหตุที่เกิดทุกข์ตัณหาดับทุกข์ก็เลยดับอริยสัจะ ส, ะสี่ไงที่ผมกลับเรียนถำว่าโอ้แต่ละวันรู้หลายหลายอั น, น, น, นด้วยเลยสมุทัยปกอบสัจสี่จะริยนสัจสี่สัจี่ที่ดีตัณญาที่ดีผมก็เห็นลูกขณะก่อนที่มันโยนต้นเนี่ยพอมันยึดขึ้นตั้งเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้นงองเรา ้ืดนะ <Jasmine> อด<ค>การที่เราเนี่ยไล่รู้เท่าทันจิตที่ดิ้นรนทยานอยากในขณะปัจจุบันผู้กณะปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันเป็นมักมันเป็นมักอันเนี้ยยังเหนือน่อยมากมันยังเหนื่อยที่จะต้องไปรู้เท่าทันไอ้จิตที่เริ่มสตาร์ทดิ้นรนทยานอยากต่อให้อยากไปทางโลกหรืออยากไปในทางธรรมแม้แต่ อ, อยากให้เปนิพพานพอมันเริ่มสตาร์ทมันก็ไปสูค่ความทุกข์แล้ว เพราะว่าพอเริ่มตัญหาเกิดมันก็ไปสู่อุปทานคือความจิตมั่นถือมั่นอุปทานก็ไปสู่พบพก็ไปสู่ชาติชาติก็ไปสู่ชาาบะรณะโสกกาลิเดวาทุสาโทนุไยยาสะความขับแค็งใจไปได้อย่างใจน้ําตาไหลออกตาพอเข้มแอ็งมาพอน้ําตาร่วงเนี่ยมันขับแค็งใจไม่นเองใจน้ําตาเลยร่วงเลยแล้วก็บีบคั้นจนแย่เลยมหาเรามีจนสภาพแย่เราลมันขับแข็งใจ ที่เราแก้ให้เมื่อวานะแล้วก็ยังไม่เห็นโทษมันอีกยังจะมาเป็นปัญหาเล่าเราเราเราเราจะไม่เห็นโทษมันอี ก, อกมเมืเ่มอ ก, กี้เราจี้เขาไปน้ำตาเขาจะร่วองอีกถึงร่วงกี่ทีก็ไม่เข็ดเพราะอะไรไม่เห็นโทษมันไงจะร่วงก็กี่ทีก็ไม่เข็ดเราเลยขี้เกียจวันนี้ไม่อยากให้รห้อไห้เลยเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะอะไรเพราะไม่เห็นโทษของตัญหานะถทจใจมาสงบ ไม่เอาเว้ยไม่อยากได้แล้วทั้งโลกทั้งธรรมพังก็จบเลยใช่ยังเงี้ยนิพพานก็ไม่อยากได้แล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าอยากได้นิพพานนี่เนี่ยมันเป็นเหตุแต่จะไม่ไม่รู้นิพพานไม่ความอยากได้นิพพานนี่แหละเอาไม่เอาแล้วเว้ยเลิกแล้วไม่เอาแล้วนิพพานก็ไม่อยากได้แล้วโลกก็ไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วนิพพานก็ไม่อยากได้เอาอย่างนี้จบเลยเป็นเป็นนิโรธไปเลยหลวงปู่ม่านเลยบอกว่าพอพูดมาร์ตีไรดับก็คือเบื่อมากเลยก็องมาไล่รู้ต้าทันพอพูดนิโรธแล้วสบายแหงสงบจบทันที คือใจไม่เอาอะไรแล้วมันก็จบไปเลยตอนนี้มันไม่ต้องมาไล่รู้อะไรอีกถ้ายังจะเอาเนี่ยมันก็ต้องมาไล่รู้ท่อสันนจะเอาอะไรอีกวะจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกถ้ายังจะเอาก็ต้องมาไล่รู้ท่าทันอยู่นน่แนอไม่เอาอะไรแล้วมันก็เลยจบไปเลยตอนนี้ยสงบไปเลยปู่ม่านเลยบอกว่าโอ้พ่อพูดมากแล้วเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันต้องมาไล่รู้ท่อสัน ไอ้ตัณหาในจิตที่มันดิ้นรนทยานอยากไปตามตัณหาในใจอยากค you know? นเคยไงอยากไปใน right, ป aden, it, Tuc, colm, ทางโลกอยากไปในทางธรรมอยากติดจริญรู <c oughs> <c oughs> ้นิพพานพอมันเริ่มสตาร์ทุก็หลวงปู่มั่นบอกว่ารู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหัยหวน่ะพอมันเริ่มสตาร์ทุกไม่รู้ว่ามันคอยมันสตาร์ทเป็นดิ้นรนทยานอยากจะไปในโลกหรือไปในธรรมแม้แต่สตาร์ทในหาปวิธีฝันเมันเริ่มสตาร์ทก็ไปหาอะไรพอมันดิ้นรทะยาอยากไปในทางโลกทางธรรมแม้แต่ดิ้นรทะยาอยากไปหานิพพานรู้เห็นเลยเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่กีเลตตัณหาไอ้ต ที่ทำให้บรรลุนิพพานไอ้ตัวร้ายนี่นะแต่เรากลับเปย์เป็นตัวดีกพราะอะไรเราจะเอาเป็นเครื่องมือเนี่ยยิ่งดิดล่นเที ย, ยนอยากยิ่งดลค้นหาที่พยายามดิ้นล่นค้นหาเพื่อจะเอามันเป็นเครื่องมือไปหาพุทธิพานเรากลับเห็นว่ามันเป็นเพื่อนสนิทมันเลยไม่ยอมดับไม่ยอมเลิกไงเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเพื่อนสนิทจะเอามันเนี่ยเป็นเพื่อนไปหาพุทธิพานจะเอามันเนี่ยเป็นยานพานะ ที่ไปหาพระนิพพานไม่เห็นโทษมันเพราะมันเนี่ยแพ้จริงเนี่ยมั น, นเนี่ยตัวล้ายแลยที่ที่ทําให้มาขัดขวางการไม่พบใจหรือไม่พบพระนิพพานในปัจจุบันไม่พบใจดังเดิมจะแพรหรือติดดังเดิมจะแพรก็ เ, เหมือนนิดเดียวนะแต่จริงๆตัวใหญ่เลยใช่ผิดก้อนนี่ขนาดนีคนสอนคนชี้คนจี้นะคนจับพบชาตินี้ไปแล้วตายจากมนุษย์ไฟอะ่ะ เกิดน้องใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแล้วไปอีกอนันตการแสนกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกกลับไปทีนึงอ่ะลืมหมดแล้วอดีปฏิบัติเนี่ยลืมหมดแล้วนี่คือความประมาณอยากจะเอาเพื่อนขีไ่ไยก็ไปดิเขาชี่เห็นโทษให้ตายอยากจะขี่ไ้อีกอ เขาเรียกว่าขี่ควายตามหาควายอขี่ควายตามหาควายที่นั้นก็ที่ปัจจุบันก็คือรักษาสภาวะที่ปัจจุบันนี้ให้ไปเรื่อยๆไม่มีต้องรักษาสภาวะใดนะให้รู้ปัจจุบันว่าอะไรเกิดอะไรไม่มีรักษาสภาวะอะไรไปเลยแต่กนยังจะเอาอ่ะ ไหนบอกก็พูดกันอยู่ที่แจกว่าเมื่ อ, อไรจะเลิกเอาก็ไม่ต้องไปคอยรู้ตาวทันไอ้จิตที่โดนพยายามอยากแล้วอยากจะเอาอะไรอยาจะเอาสังภาวะมันจะต้องพยายามรักษาสังภาวะไ ว, วะ้ววมววมววมไม่รู้ละวันเนี้ยใครพูดผิดัะฟันเลยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ถามได้นะเดี๋ยวไม่กล้าถามเพราะเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้ว เหลือไม่กี่วันต้องกลับต้องจากกันแล้วเอมาเอามาเอาเอาใหม่เด็กมาแก็ทุกทุกวันเลยนะคะความปรารถนาที่ที่ว่านิพพานเนี่ยก็คือเป็นความปฏิรารถนาสูงสุดก็กลายเป็นว่าไอความปรารถนาที่หนูอยากจะปรารถนานิพพานนั่นก็กลายเป็นเป็นกิเลสตัวสําคัญที่สุดใช่ไหมคะ ตัวนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่บรรลุเป็นอาหารหันต์สมมาธรรมพุทธเจ้าบอกปรารถนายังปรารถนาความสุขอยู่พรนิพพานอยู่ตอนแรกพระองค์ไม่รู้นะไม่รู้ตัวตอนแรกพระองค์ไม่รู้ตั ว, ต ว, ไ, มตวไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวขวางพรนิพพานพระองค์ก็เหมือนพวกเราเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าสอนพระค์ต้องใช้เวลาค้นอยู่หกปีเต็ม แล้วทีนี้อย่างทุกวันเนี่ยค่ะที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิอิปัสสนากันทุกวันเราทําเพื่อที่จะทิ้งกิเลสตัณหาแต่ถ้าถามอย่างสมมติว่าอย่างหนูตัวหนูเนี่ยถามว่ากิเลสตัณหาถ้าหนูห น, หนูรู้สึกว่านะคะในครา้รู้สึกหนูว่าของหนูเนี่ยหนูว่ามันเหมือนนะคะเหมือนว่าตัวเองเน่ยใหญ่ความอยากมันก็ไม่มีแล้วนะคะก็เริ่มที่จะสละ ออกไปทีละอย่างสองอย่างแต่มันก็จะมีความอยากอยู่ตัวหนึ่งก็คืออยากนิพพานเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยากนิพพานเราบอกว่างาบบั้นมันอยา ก, ม, ยากมันยากเกินไปเราไม่เอานิพพานเราจะทำยังไงอานครย์หลวงพ่อไม่ใช่นะเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากปฏิภาณเราเลิ่เปฏิบัติเลยไม่ใช่นะรูป้ปฏิพานไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นนะเราเห็นจิตที่มันดิ้นรนทยานอยาก ที่จะได้พระนิพพานเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเราจึงวางเหตุที่เป็นอุปสรรคเสียพระนิพพานเลยเลยเกิดขึ้นเองไม่ใช่บักเราม่อยา่างละได้พระนิพพานแล้วเราเลยเลิกปฏิบัตินละ้วไม่ใช่เรานะมานั่งสมาธิมาเดินเจ้ากรมให้จิตมันสงบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเห็นจิตเนี่ยมันดิ้นรนทยานอยากในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันว่ามันดิ้นรนทยานอยากไปหาอะไรคนระับ ขณะจิตในปัจจุบันถ้ามันมีการเริ่มสตาร์ทดิ้นรนทยานอยากเนี่ยทุกพังนาเนี่ยเพรเป็นกิเลสตัณหาดังนั้นเน่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเรารู้ว่าจิตเนี่ยมันเกิดความเกิดกิเลสเกิดความอยากเป็นอยากมีอยากอยู่อยากได้ทิ้งเลยทิ้งเลยที่ทุกต้องใช่ไหมคะเห็นจิตที่ดิ้นรนทยานอยากนะต้องเห็นจิตที่ดิ้นรนทยานอยากนะไอ้ความอยากเนี่ยถ้าเราไม่เห็นจริงๆมันมันอยากเนี่ยเลิกแต่เดี๋ยวเห็นจิตที่เดือนร้อนอยากเดี๋ยวกระอยากอีก เราต้องเห็นกิจทีดิ้นลนทยานอยากเราบอกว่าไงฮะไม่อยากแต่เราก็พูดเฉยๆกันนะไม่อยากเลยไม่อยากแล้วนั่ไม่อยากให้จริงนะเราต้องเห็นกิจทีดิ้นลนทะยานอยากในปัจจุบันเนี่ยที่เรานี่มานั่งประมาณที่มาเดินจงกรมมาปฏิบัติเพียรเนื้อในตายเนี่ยก็เพื่อเนี่ยให้เห็นผิดเนี่ยขณะที่มันเริ่มต้นสตาร์เป็นดิ้นลนทยานไปตามความอยากขออยากอะไรเฮ้ยในปัจจุบันนั่นนะมันเริ่มดิ้นินไปตามความอยากอันนั้นเนี่ยคือตัญหาอ มันพอมันดิ้นลนทยานอย่างปุ๊บเขาเลยใช้ดิ้นลนทยานยากนะมันทยานเหมือนไอเสือเนี่ยมันทยานทยานจะเข้าไปสะปบสะปบไอไอลูกแก่อย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาจึงใช้ว่าดิ้นลนทยานยากพอมันเริ่มทยานมันดิ้นลนทยานยากทยานเนี่ยมันเหมือนกับไอทยานออกไปเงี้ยเราก็เห็นเลยเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทพอเริ่มสตาร์ทเป็นดิ้นลนทยานยากเราเห็นมันเราก็วางมันเราเห็นมันเราก็วางมันแล้วก็ดูในปัจจุบันว่า ดูที่ว่ามันได้โลนทยานอยากอะไรไหมไอการที่เรานี่ยังยังต้องความตำรวจตรวจสอบว่าดูที่ว่ามันได้โลนทยานอยากอะไรไหมถ้ามันมันได้โลนทยานอยากมันก็จะโผล่มาในปฏิบัติการให้เราเห็นเนี่ยเราก็วางไปมันลินโลนทยานอยากเราก็เห็นอีกเลวางไปแต่เราจะทําเป็นแก้บอกไม่เอาไม่เอาอะไรทีบไม่เอาอะไรทั้งหมดอ่ะแต่จิตมันยังได้โลนทยานอยากเราไม่เห็นนั่นเราแกเขาเป็นวางมัวางหมดแล้วแต่ไปวางจริงวางรูปหมดแล้ววางขัวหมดแล้ววางเมียหมดแล้วะ วางหมดไม่อยู่วัดวางหมดแล้วมาอยู่วัดแต่ไม่อยู่วัดให้ตายถ้าไปเห็นจิตที่ดินลนทยานอยากจะกลับไปบ้านกลับไปหาบัวกลับไปหาเมียกลับไปหาลูกแหะไม่จริงหรอกเพราะว่ามันได้จะวางจะป่าก็วางหมดแล้วมันต้องเห็นจิตที่ดิ้นลนทยานอยากที่มันอยากจะกลับไปหาเขาพอมาเห็นจิตที่ลนที่ดิ้นลนทะยานอยากปุ๊จะกลับไปหาเขาอ๋อนี่ไงความทุกข์เกิดละ เราเห็นมันแล้วเราก็วางมันเห็นมันแล้วราก็วางมันนี่แหละไอ้ที่เรามาเดินจงกลมนั่งส ม, มาธิกันก็เพื่อให้เห็นจิตจะเริ่มสตาร์ทที่รถยานอยากไปหาเขาเนี่ยไปหาเขาต้นไหนตัวกระจายไม่อยู่ด้วยกันมาปฏิบัติธรรมแล้วตัวกระจายไม่อยู่ด้วยกันตัวอยู่นี่ใจไม่อยู่นี่ตัวมาฟังธรรมใจไม่มาฟังธรรมมาแต่ตัวแต่ใจขํามออกนอกห้องกลับไปแล้วกลับไปบ้านแล้วอยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านมาหลายวันแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาสามีอยากกลับไปหาลูกอยากกลับไปหาภรรยาอยากกลับไปหาครอบครัวมันอยากกลับไปหลายวันแล้วอยู่แต่ตัวน่แนะคือมันไปแล้วอันนั้นแหละอันนั้นแหละมันไปปลายทางแล้วมันไปปลายทางได้เห็นอย่างนั้นมันไปปลายทางแล้วมันไม่มันไม่บรรลุได้แต่ปล่อยมันไปเรื่อยๆไปเจอที่ปลายทางแล้วให้รู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหัวหวนพอมันเริ่มสตาร์ทก็เห็นเลย วมันจะไปไหนไปหาใครเนี่ยมันจึงต้องคอยรู้ต่ทานรู้ต่านรู้ต่านแล้วก็ให้กลับมาให้ตัวกลับใจมันอยู่ด้วยกันตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่จะอยู่นี่ตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อว่าพอมาเริ่มสตาร์ทใจไม่อยู่กับตัวมันจะได้เห็นแล้วว่ามันทะยานไปแล้วมันทะยานกลับไปบ้านแล้วก็ับไปหาครอบครัวแล้ว มันก็เลยรู้ที่ต้นทางเลยเพราะว่าเราเราตัวกระจอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าปรึกตัวกระจอยู่ด้วยกันมันไปแล้วพอมันไปแล้วกบวกกับเรามีความสงบใจแล้วเพราะว่าตัวกระจอยู่ด้วยกันมันก็เลยมีความสงบเพราะว่ามันไม่มีความดิ่งโลดทยานยากอะไรเพราะมันมีความสงบแล้วมันเริ่มดิ่งโลดทยานยากเราเลยมองเห็นชัดเจนเหมือนกับน้ํานี่มันที่มันแบบมีตะกอนอนต้นอยู่เนี่ยสมมติเถอะนะน้ําใสใสที่มีตะกอนนอนต้น พอมาเริ่มเริ่มดิ้นรนใจยากคือเริ่มตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันเริ่มตัวกับใจอยู่ด้วยกันเลยมันเลยตกตะกอนมันเลยตกตะกอนไปน้ําก็เลยใสยต้องแต่ตะกอนอยู่ข้างล่างหมายถึงว่ายังไม่รู้พระนิพพานนะมันก็ยังมีน้ํากับวิตตะกอนอยู่แต่น้ํามันใสามากแต่ควา ม, มน้ำใสเนี่ยนะคือตัวกับใจอยู่ด้วยกันแล้วใจก็สงบแล้วนี่เนี่ที่เหตุที่ต้องมาปฏิบัติธรรมม า, มาหนังสมาธิมาเดินจงกมมามีสติรู้ต่าตั้นนี่ย คือปลุกให้ตัวกับใจมันอยู่ในการตัวอยู่นี่ใจอยู่ที่ตัวอยู่ไหนใจอยู่ น, นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้น <Yeah. S 1> มันก็เลยตกตะกอนตกตะกอนใจมันก็เลยใสพอมาเริ่มปุ๊บเริ่มไม่อยู่กับตัวเนี่ยมันเริ่มพยายามจะออกทําให้ใจไม่สงบมันเริ่มดิน้นทําให้ใจไมนสงบไม่ได้เห็นเลยว่า mm hmm. เนี่ยเพตที่ทําให้ใจเป็นสงบนี่เนี่ยคือกิริยาการคิดลักษณะแบบนี้ที่มันยังมีการดินน้นบนพยายามอย่าง เลยเราก็อ๋อเนี่ยเห็นเลยพอเริ่มุ๊เห็นเลยเนี่ยที่มันทําเหตุที่ใจเราสงบดีๆแล้วมันทำให้เราไม่สงบสงบอยู่ดีๆแล้วทำให้เราไม่สงบไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มดิ้นรนทยานอยากเราจึงต้องมาสงบใจซะก่อนเนี่ยมาสงบใจซะก่อนจึงเห็นว่าเหตุที่ทําให้ใจเราไม่สงบแต่ถ้าเราไม่เคยใจสงบเลยเนี่ยไอ้ความสงบมันยังไม่มีเลยเราไม่เห็นเัาเหตุที่ทําให้ใจเราไม่สงบก็เราจะไม่เคยสงบเลยอ่ะพอเราสงบแล้วจึงจะเห็นว่าเหตุใจที่ทําให้ใจเราไม่สงบเราจึงต้อง มีความสงบใจซะก่อนพอมันไม่สงบเราจึงเห็นว่าเหตุใดจึงทําให้ใจเราไม่สงบพอเห็นปุ๊บเราก็ดับรู้ทันมันรู้ตระทันรู้ทันรู้ทันตัวกระจายมันกลับอยู่ที่การใจก็ลมเย็นรู้ตทันใจตัวกระจายก็อยู่ที่การใจก็กลับมาลมเย็นดังเดิมรู้ทันจิตใจมันพอมันปุ๊บมันออกไปแล้วตัวกระจายมัอยู่ทีการเราก็เห็นมันทําให้จิตใจเริ่มไม่สงบ เราก็รุตัทันมันก็กลับมาอยู่ในขกันตัวกับใจก็กลับมาอยู่ด้วยกันตัวมาฟังตามใจก็มาฟังตามด้วยใจก็เลยมีความสงบเพราะตัวกับใจอยู่ด้วกันใจมีความสงบแต่ใจมีความสงบมันก็เพียงแค่สงบไปด้ยเชื่อขาวเพราะมันยังไม่ติ่ความอยากยังรักเขายัางคิดถึงเขาใจยังหัวพันเขามันก็แค่สะกดไว้แค่นั้นเอง เดี๋ยวน้าก็ขุนขึ้นมาอีกตะกอนมันก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าตะกอนมันยังไม่หมดตัวจากใจเรานะเดี๋ยวน้ําก็ขุนขึ้นไม่ได้เพราะว่าตะกอนมันยังมีอยู่เพราะอะไรใจมันไม่สิ้นใจมันยังวงุ่นมันยังมีกเกาะเกี่ยววัวพันธอยู่พจอจารนเกาะเกี่ยววัวพันธ์มันก็แค่สงบในเช้าขาวเดี๋ยวก็กลับไปหาเขาอีกนั้นเราก็ต้องเห็นว่าเราอยากจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันไหมลนะ่ะ เพราุกในปัจจุบันเออมันก็ปล่อยวางไปไม่เอามันก็ปล่อยวางพราปล่อยวางแล้วเออก็ไม่ต้องมาอนกุศลใจอีกแล้วปุลปล่อยวางหมดแล้วมันก็ไม่รีบไปหาใครแล้วก็เลยตำรวจว่าในใจเนี่ยมันยังมีอะไรที่ใจเราไม่ปล่อยวางเราตำรวจแล้วมันไม่มีเลยจริเราปล่อยวางหมดแล้วทุกอย่างเออนั่นแหละมันไม่รีบไปหาใครแล้วนี่ถ้าเรายังไป่อวางจริงมาหลอกตัวเองมาปฏิบัติลุกขาวหุบขาวมาอยู่วัดแม้แต่มาลุ่งเหลืองผุบเหลืองอยู่วัดแต่ใจมันยังไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างเดียวเนี่ย ไม่จริงหรอกเดี๋ยวต้องแล่ไปหาีติพิลาไม่ปล่อยวางแล้วมันจิ้มต้องปล่อยวางทุกอย่างซะก่อนแตยังไม่ปล่อยวางมันก็แค่สะกดไว่ได้ชั่วคราว น, นั่นไงเดี๋ยวมันก็ไปละเพรามันปล่อยวางหมดแล้ ว, อลวเอวอมันก็มีรู้จะแล่ไปหาใครเพราะมันไม่มีที่ไปเพราะมันปล่อย ว, วางหมดแล้วมันก็เลยไม่มีที่ไ ป, ม, ไ ป, ไ ป, ไไปไมันจะไปแล่ไปหาใครอไปไหนคเดินไล่ไปหาใคร มันปล่อยวางหมดแล้วมันรู้จะแล่นไปหาใครมัรู้จะแล่น ไ, ไ, ไปหาอะไรที่ไปก็ไม่มีตัวอย่างลุงตาเนี่ยที่จะกลับก็ไม่มีเมื่อก่อนมีเต้ทุกอย่างครบหมดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเคยมีวัวถามว่าอยากจะกลับไปบ้างไหมเออจะกลับไปจะใหม่ไม่รู้จะกลับไปจะใหม่เพราะว่าไม่มีอะไรแล้วสมบัติก็คืนเขาหมดแล้วสมบัติพันธสัญญบ้านช่องให้เขาหมดแล้วตอนออกมาก็ออกมาแต่ตัวมันสะหลุ่มหนึ่งก็ไม่ออกมาแล้วใครเนี่ยจะอยากเลี้ยกว่าแก่ๆกลับไปอีก เรากลับไปก็ไม่มีใครเลี้ยงแล้วมาก่อนเรามีความรับรวยมียศถาบรรดาศัก์มีตําแหน่งลาง่างเยแต่ทันเราพอบวชแล้วเราทิ้งเงินเข้าคืนไปหมดแล้วเนี่ยเราคืนหมดแล้วเรากลับไปก็ตายเปล่าๆแต่เพราะว่าอะไรพระแก่ๆกายพอสึกออกไปกลับไปหาครอบครัวแก่ๆ แ, แล้วใครจะเลี้ยงไม่มีอะไรแล้วอะ่ะไม่มีใครก็อยากจะเลี้ยวกะแก่ๆ แ, แล้วกลายเป็นคนแก่ๆอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามมีอยู่ท่านไหมเงาออกบวช ทำด้านลังเลลังเลสละสุบัตให้หมดเลยให้เขาหมดบ้านเล็กบ้านใหญ่สละสุบัตให้หมดเลยบ้านเล็กบ้านใหญ่สละให้หมดหลังต้าตุบัตให้เกี่ยวหมดแล้วอบวดไปบวดไปจะไม่แน่ใจอตอนแรกก็ยังไม่บวดอ๋อมาเป็นผ้าขาวก่อนปีหนึ่งแสละหมดแล้วนะไม่เอาแล้วเราเป็นผ้าขาวมายุ่งแล้วต้องตุบบัตเล็กบ้านใหญ่พอเป็นผ้าขาวไม่แน่ใจเงินไม่มีใช้ กลับไปหาเขาทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่เขาไม่ให้นะเพราะวแก่แล้วนี่ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วทรัพยสมบัติก็ได้มาหมดแล้วเงินทองก็ได้มาหมดแล้วกลับไปหาเขาเขาไม่เลี้ยงดูแลไปหาบ้านเล็กเขาก็ไม่เลี้ยงดูับไปหาบ้านใหญ่เขาก็ไม่เลี้ยงดูเขาเลยมีคนถามเลยถามว่าอาจารย์คิดว่าจะกลับไปทำไมเขาจะกลับไปทงไมเพราแก่แล้วเขาก็ไม่เลี้ยงดูแล้วใครเขาจะอยากเลี้ยงดูคนแก่วะ สมบัติพระสัทถายก็ไม่มีเพราะขอมีผลสมบัตพระทถายเขากอยากเรียนดูว่านั่นนี่มันดีแล้วใช่ก็ไม่หมดแล้วเพราก็จบแล้วสิก็จะกลับไปทําไมลคนแก่ใครก็อยากเรียนแล้วอาจารย์จะไปไหนต่อไม่มีที่ไปเพรก็จะไม่มีวัดเป็นของตัวเองฉันไม่มีที่ไปเพราะแจ็คก็รู้จะไปไหนเพราะวัดของแจ็คก็ไม่มีที่ไปขอก็ไม่มีและปัจจุบันอะปัจจุบันฉันอาศัยเขาอยู่ อาอจะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเออสิฉันไม่มีแล้วใครจะเลี้ยงนะเดี๋ยฉันก็ต้องบวชเป็นพระอยู่ด้วยแน่เพราะว่าไม่มีใครก็จะเลี้ยงอย่าละวัดก็ไม่มีที่จะไปก็ไม่มีที่จะกลับก็ไม่มีเอาล้วจารไม่ห่วงเหรอไม่กลัวว่าจะจะเป็นอะไรเป็นอะไรมันก็แค่ตายเลยแหละเดี๋ยวเก็ตายแล้วใครก็จะเอาเราไว้ตรงเขาก็ต้องเผาเราเขาเขาไปเอาเราไว้แล้วมันเหม็นเราตายตรงไหนเขาก็ต้องเผาเราตรงนั้นแหน่เพราะว่ามันเหม็นเน่าเราเลยไม่ห่วงเข้าใจไหม